ทุติยวักหมวดที่สองหนึ่งมาลาสูตรว่าด้วยมารร้อยเจ็สเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระราธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งนาทิสมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญที่พระองค์ตรัสว่ามารมาร มานเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธารูปเป็นมานเวทนาเป็นมานสัญญาเป็นมานสังขารเป็นมานวิญญาณเป็นมานราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม่ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสัญญา ย่อมเบื่อหนายแม่ในสังขารย่อมเบื่อหนายแม่ในวิญญาณเมื่อเบื่อหนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบประมจาจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปมารสููรที่หนึ่งจบ 2. มารธรรมสูตรว่าด้วยธรรมของมารร้อยเจ็สบเอ็ดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราทานั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าธรรมของมารธรรมของมาร ธรรมของมารเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธาัรูปเป็นธรรมของมารเวทนาเป็นธรรมของมารสัญญาเป็นธรรมของมารสังขารเป็นธรรมของมารวิญญาณเป็นธรรมของมารราธาัอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปมารธรรมสูตรที่สองจบสอ น, นิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงร้อเจ็สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งณที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยงราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันนี้จะสูตรที่สามจบสีอันนีจะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยง เป็นธรรมดา173เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งนัที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา สิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธารูปมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเวทนามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสัญญามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสังขารมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาวิญญาณมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาราธาอริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันนี้จะธรรมสูตรที่สี่จบหทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกร้อยเจ็ดสิบสเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี ท่านพระราธะนั่งนัทที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าทุกทุกทุกเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุก ราทะอริยสาวกผู้ได้สะดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุกขสูตรที่ห้าจหกทุกขธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีทุกเป็นธรรมดาร้อยเจ็ดสิบห้า เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธานั่งนที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดาสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดาสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราช รูปมีทุกข์เป็นธรรมดาเวทนามีทุกข์เป็นธรรมดาสัญญามีทุกข์เป็นธรรมดาสังขารมีทุกข์เป็นธรรมดาวิญญาณมีทุกข์เป็นธรรมดาราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุกขธรรมสูตรที่หจบ เจ็ดอนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาร้อเ็สเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาราธะอริยสาวกผู้ได้สดับอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนันตสูตรที่เจ็ดจบ นันตธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดาร้อเจเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธาต้านันที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดาสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดา สิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปมีอนัตตาเป็นธรรมดาเวทนามีอนัตตาเป็นธรรมดาสัญญามีอนัตตาเป็นธรรมดาสังขารมีอนัตตาเป็นธรรมดาวิญญาณมีอนัตตาเป็นธรรมดาราธะอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนันตธรรมสูตรที่แดจบเก้าขยะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาร้อยเ็สเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี ท่านพระราธาั่งนที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธา รูปมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเวทนามีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสัญญามีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสังขารมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาวิญญาณมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาราทะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ขยธรรมสูตรที่เก้าจบส0วายธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาร7 9เจ็เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวทนามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา สัญญามีความเสือปเปสเส่อมไปเป็นธรรมดาสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาราธ้อริยสาวกผู้ได้สะดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปวยะธรรมสูตรที่สิบจบ 1. อสมุททยธรรมสตสว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาร8 0แปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราทานั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราต้รูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเวทนามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัญญามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสังขารมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา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 ว่าด้วยสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดา181ปเอเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราชาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนทที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่า สิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธารูปมีความดับไปเป็นธรรมดาเวทนามีความดับไปเป็นธรรมดาสัญญามีความดับไปเป็นธรรมดาสังขารมีความดับไปเป็นธรรมดา วิญญาณมีความดับไปเป็นธรรมดาราธะอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนิโรธธรรมสูตรที่สิบสองจบทุติยวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งมาลสูตร สมาลธรรมสูตร 3. อนิจจสูตร 4. อนิจจธรรมสูตร 5. ทุกขสูตร 6. ทุกขธรรมสูตร 7. อนัตตสูตร 8. อนัตตธรรมสูตร 9. ขยธรรมสูตร 10. วยธรรมสูตร 11. สมุททยธรรมสูตร 12. นิโรธธรรมสูตร